พุทวาดสวัสดีค่ะพุทธวัดสวัสดีนำทุกท่านเข้าสู่รายการที่มีเนื้อหาสาระหลักคือทมวินัยจากพุทธโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ก่อนปรินิพานนะคะว่าแม้พระพุทธองค์จะไม่อยู่แล้วทมจะเป็นพระศาสดาของพวกเรา ต่อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราไปเรื่อยๆเพราะเป็นธรรมะที่ไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานะคะและสำหรับในช่วงต้นของรายการนี้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติดิฉันสรนสนินาพง ผ, ผู้ดำเนินรายการก็จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะ โดยมีพระมารา้าชาควโรวัฒนาป่าพง์ลำลูกาคลองสิบเป็นผู้นำปฏิบัติพร้อมกับได้สาธยายประสูตรที่คิดว่าพวกเราควรที่จะรับรู้รับทราบกันเอาไว้ตอนนี้เรามาพบกับท่านกันเลยนะคะน้ัสการ์ค่ะท่านมาค ะ, ะเจริญพรชต่วันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันทางความเพียรพองกลิดด้วยการมาจเจริญอาณาปานสติเราก็จะเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกสอน คือหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกทำกายสังขารคือความพุงแตกทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกถ้าเราหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เราวางความคิดเหล่านั้นเสียเรียกว่าการรับนันทิหรือการรับความเพลินแล้วก็ให้เรากลับมามีสติและ ร, รู้อยู่กับลมหายใจของเราและเราก็มาสังสมปุตโธชนะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย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 เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายแต่ทาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามานพรหมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมนาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์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 ดูก่อนิสษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือข้าบดีชาวนารีบรีบไถคลาดพื้นที่นาให้ดีเสก่อนรันแล้วก็รีบรีบปลูกพืชรันแล้วก็รีบรีบไถน้ำเข้าบ้าน ไน้ำออกบ้างภิกษุทั้งหลายกิจของข้าบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมี3าอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าขหมบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าของเราจงงอกในวันนี้ตั้งทองพรุ่งนี้สุกเมื่อนนี้ดังนี้ได้เลย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 การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิง่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิง่งและการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิง่งภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทํามี3ามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่าภิกษุนั้นก็ไม่มีฤทธ หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ดังนี้ได้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในสีนันยิ่ง แม้ในจิตอันยิ่งและแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานในเองสุขทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติ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 เดี๋ยวพวกนี้เรามาเจริญอน า, น า, านาปาณสติและสักสมปุทธวจนะกันต่อค่ะดีฉันมีความเชื่อนะคะว่าประศุบทเนี้ยคงจะทําให้หลายๆคนเกิดความรู้สึกคล้ายๆที่ฉันรู้สึกนะคะว่าบางทีเราก็ใจร้อนใช่ไหมคะ <c oughs> พอลงมือทําปุ๊บเนี่ยแหมอยากจะไปถึงปลายทางเร็วๆ <c oughs> แต่พอฟังตรงนี้รู้ได้เลยว่ามีหน้าที่ทําให้จริงให้จังกับเรื่องของการสมาทานศีล <c oughs> การปฏิบัติทางจิตแล้วก็การที่จะ เจริญปัญญาใช่ไหมคะใช่ตถ้าถึงเวลาสร้างผลดีพอเข้มงวดพอผลเกิดเองใช่ตอลค่ะสนับ <c oughs> ฟังที่เคารพค่ะอย่างนี้นะคะเราจะได้กระจ่างในใจเพราะว่าเราฟังจากคำอธิบายที่เป็นพุทธวจนะของพระพุทธองค์เลยท่านมาร์กได้นำมาสัทยายให้พวกเราแล้วก็พรุ่งนี้จะมีอีกถูกไหมคะใช่ต <c oughs> นะคะวันนี้นมักการขอบพระคุณอีกรอบนึงคะ่ะเจริญพ่